มุกเอาแต่ชื่อบ้านค่อยเฉยนะไปนั่นมันไม่มีสภาพเก่าเหลืออยู่เลยถน น, นก็ผ่านไปในบ้านเขาเลยเลยไม่ทราบว่าตรงไหนตรงไหนที่เราเคยมาเคยไปบินตะ บ, บัดในบ้านนั้นนะ่ะไม่รู้เลยสภาพของบ้านของมันก็เปลี่ยนไปหมดถนนลนทา ง, งก็เปลี่ยนอะไรอะไรสภาพทุกอย่างมันเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพไปหมดชามบานก็ฝังใจนะเพราะแถวนี้เป็นแถวนะที่เรา เสละเป็นประตาธิยจริงๆเรียกว่าขึ้นเมธีไม่ต้องมีกรรมการฟาดกันเต็มที่เลยก็คือแถวเราแถวนั้นแหละมันยิ้วมันคอนกรรมากุศไหายอันนีปากุ้หายมาถลายนั่นแหละดีนมะันคอนะ่ะสองพี่ได้จริงๆนะอ๋อไม่ลืมนะ กากกวบความเปลี่ยนในที่เชนนั้นถ้าเราจะพูดแบบโ่โลกก็เหมือนตกนระกทั้งเป็นมหันตตทุกข์มหันตะโทษอะไเนี่ยแล้วก็นั่งมวแชมเปี้ยนต่อยกันกลืนเลยเถอะไม่ได้ตายเลยมันเป็นอย่างนั้นเถอะตัวไม่ได้ตายเลยเด๋ยดมันฟัดออกนี่ครับ แถวนี่เป็นแถวหนึง่งแล้วก็ไปทางโน้นไปทางอะไรเพราะเราอยู่สักคนถึงแปดปีการเที่ยวมันรู้สึกว่าซอกแกทกซิกแซกมากไปรู้เห็นเกือบหมดแตัวภูเขาลูกนั่นภูเขาลูกกาลสิ น, นมาจนกระทั่งอำเภอสว่างตั้งแต่นี้แหละไปจากอำเภอสว่างมัดภูเด็กภูเด็ก อ, อะไรเนี่ยเลื่อยไปนู่นแล้วก็เข้าไปทางโน้นอีกไปทาง มันตัดภูวงคาบิดคําบ่อไปนู่นเราอยู่มดคนเดียวนั่นน่ะแต่คนเดียวคนเดียวคนเดียวนิสัยเราเป็นอย่างนั้นถ้าไปกับหมู่กับเพื่อนมันเป็นเหมือนกับน้ำไหลบา่เาเรื่องความรับผิดชอบกันมันเป็นประจามสัญชาตนะิยานเไม่ต้องบอกมันก็มีอยู่ลึกๆอยู่นั่นแหละหนี่มันก็ไม่สะดวกเมื่ออยู่คนเดียวแล้วกี่วันก็ตามอยากกินก็กินไม่อยากกินเฉยเลย อันที่เนี่ยที่มันสบายตรงนี้นะแล้วก็เล่าคนเดียวเท่านั้นเป็นก็ราตายก็เหราที่ทีดว่าไม่มีไม่มีกรรมการแยกถ้าเป็นหน้กนหน่อยวาดกันเลยโอ้โหเวลาทุกข์ก็ทุกข์มากคนะ่ะการประกอบความเปลี่ยนแต่แก็ภูมิใจนะเีเราคิดย้อนหลังอย่างทุกวันนี้ผมพูดเมื่ี้นะคิดย้อนหลังไปเรื่องของการดำเนินองคจากร ข, ของการปฏิบัติของ ไปไปย้นหลังไปนโอ้ยน่ากลัวมัจีนมาเพราะอะไรเพราะวัยมันมันมันไม่เหมือนกันความรู้สึกทางด้านจิตใจก็ไม่เหมือนกันทุกวันนี้มันมันจีดมันจังไปหมดธาตุขันมันก็คอยใจจะพังจะรังไงมันจะเอาไหนล่ะธาตุขันแล้วจิตใจมันก็เหมือนกันนะมันจีดจีดขันจางไม่เห็นหวังอะไรเลยก็บอกว่าไม่หวังก็บอกไม่หวังมันกี่หวังว่ามันเซอร์มสร้างเขาแล้วแต่จะว่า เฮ้ยวังอะไรเลยในการบําเพ็ญอยู่ในข้างนั้นมันเป็นอย่างนี้มเมื่อไาเลยความมุ่งมั่นเหมือนกับว่าอะไรขาดก็ขาดแต่ความมุ่งมั่นนี่ขาดมาได้เลยนู่ตายก็ขอให้มัน ง, งับสมมติว่ากัดดวดที่มันกัดนี่มันมันแตของตายซะก่อนขอให้มันงับติดปากไว้อย่างนี้กับพิเดษพูดง่ายๆนะข้าพิเดษถ้าเป็นข้าพันมันได้งับติดปา ก, าาาา ป, า ป, ากปากกับขามันติดไว้กันไวนน้ให้ได้ ง, งับก็ออกอ แต่จะขอจะตายก็ให้ปากถึงถึงขาถึงตัวง่งับเอาไว้นั้นถึงจะยอมตายความมุ่งมั่นมันแรงกล้าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วความเปลี่ยนทุกด้านทุกด้านมันก็ต้องโหมมันเข้าสิเพราะความมุ่งมั่นนั้นมันเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดไงหมดความผ้าดความเปลี่ยนความจะเป็นจะตายแล้วมันไม่ได้สนใจเท่านั้นนั่นแต่เพา ม, มันถึงกล้า ความเพียนเดินมาลงมาบินทบาบัตบ้านเขาเขาจะไม่ถึงหมู่บ้านมันมันหมดกำลังมันอ่อนไปหมดนี่มาถึงร่างกายนะแต่ใจไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนจะเหาะจะบินนั่นจะว่างไงมันเป็นแต่ร่างเือใจนี่เหมือนจะเหาะจะลอยนบนอากาศเวลามาม า, มาฉันมาบินทบาบัทฉันเพราะร่างกายมันจะไปในระหว่างนั้นงนะ ตจมันก็มาอยากถันมันยังทะเลาะกันได้อย่างเคยพูดใั่นฟังคือมันเห็นคุณค่าของการอดมันเสริมความเพียรได้เป็นอย่างดีจริงๆให้เห็นกระจกในแสงหลาอนั่นแหละมันถึงมันถึงได้ทํางันถึงขนาดนั้นตแต่ถ้ามาฉันมันก็จะตายก็ต้องมาฉันพอประทังให้ความเพียรด้วยก้าวแต่ก้าวอดไปที่ไหนมันมีเตอย่างนั่นแหละนี่แต่เรามัน คนนิสัยวาสนาอมันยากปุ่นง่ายทำธรรมดาไม่ได้เันต้องมีแต่อย่างผ่าผลทั้งนั้นแหละเดินอไปถึงบ้านรือจะไม่ถึงรู้ทันทันนะว่ามันมันเพียเต็มกำลังนะแต่เวลามาฉันอันนันแล้วกลับไปมันดีดขึ้นไปนี่แน่เอังที่หล่ะก็ค้นหนุ่มอยู่นี่พอฉันอันนั้นพอได้ร่าง อาหารเข้าท้องแล้วมันก็ไปด้วยอย่างสวาอีกเนี่ยอัง น, นั้นก็ทิ้งไเลยไงเท่า น, นั้นแหะพออ น, นี่แต่ความเพียนะหมุนติวต้วติว้วติ้วในตอนนี้ก็เป็นอะไรอันนี้มันทุกข์ทั้งกายทั้งใจทุกขลทรมานเอาอย่างนักในตอนที่มันทุกข์มั น, ม, นมันทุกข์ทางใจมันก็มี ร่างกายก็ไม่ได้บังคับบัญชาถึงขนาด น, นั้นแต่ใจมันบังคับมันเองในหลักธรรมชาติหมุนติ้วเดียว ท, ทั้งวันนั่นคือมันมีเรียกว่าถ้าเป็นทุกข์ใจจะทุกข์เร็วเพราะมันงานของใจนี่สติปัญญาที่ใช้ข้าพิเศษจะจ ะ, จะไม่เรียกว่างานได้ไงความเคลื่อนไหวของสติปัญญาหมุนรอบตัวอยนะู่นั้นมันคืองานนั้นเองพระอาจารย์จนิงสอนว่าให้เขาพักสมาธิเพื่อพักงานงานแสดงของของปัญญา น, น ไปหมดแหละเพราะอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นสะกคนนครนั้นแปดปปีหนึ่งออกทางนี้ไปนู่นลงมาท่านั้นปีหนึ่งขึ้นทางนี้ลงมาท่านั้นปีนึงขึ้นนั้นลงมานั้นสุดท้ายมัน ก, มนก็มันก็หมดเลยแถวนี้ท่านพี่ท่านปิงน่านว่าตายตอวนี้ผมไปหมดแล้ว ดงทั้งนั้นไ ม, มีบ้านคนแถวนั้นมันมีบ้านแจ้งนง้ำมันมีประมาณสักสิบห้าสิบหกหลังคาเรือนมันถึงเนือยู่ในป่านจริงเลยนะมีดงมเอยจริงๆโผล่เข้ไปก็ไปเจอหลั ง, ลงคาเรือนเลยนะบ้านแจ้งนง้ำ ม, มันดงติดติดหลังคาเรือนจริงนะ เขาทำไมเขาไม่เบื่อไม่อะไรออกไม่รู้นะเขาก็อยู่เขาได้สบายตําข้าวนะ้นตำด้วยอันนั้นมือนะเขาเรียกโคกอะไรนะภาษาเราเรียกคกมือตําด้วยมือตุกตับตุกตับเขา ม, มีครกกระเดื่องอนะ่ะก็มีแค่คกที่ตําด้วยมือโอ้ยเขาทํานานมากนะตําข้าวด้วยมื อ, อนี่นะสี่ห้าคนตำตรงในอันเดียวกันไม่ไม่มี กระท่ากันเลยนะมันได้จังหวะอันนี้จุดเลยนะสี่ห้าคนเนี่ยตําลงไปไม่เคยกระทเขาจานานมากพวกเราเนี่ยโอ้เพียงสองคนก็ลองดูสิฮึสาดดีไม่ดีต่อยหัวกันเป็นไรวะอนี้เขาํานานมากดูเขาต่าเขาเวลาเขาต่าช่วยกันนะผับเสียงเสียงอันนี้มันตุกตักตุกตักตุกตักตุกปับูุังนะเขาลงได้จังหวะจังหวะ ไปทั้งทางนี้แหละทางเอ๋ออำเภอนาแกนี่เข้ า, า, ขาไปบ้านดงหลวงเนี่ยอำเภอดงหลวงนี่เที่ยวไปนั้นน้องหนาวดงหลวงแล้วก็ไปก็ตาไปตามสันเขาเลยแต่มันเป็นเหมือนกับพื้นที่ร่ำลาำนะไปมูกนะไปถึงอำเภอบัวขาวที่จะลงจังหวัดกาลสินนะ ที่ไหนได้นู่นอลงเราอยู่บนภูเขาแล้วตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้นะมองลงไรนี้นุม โ, โอโ้โห่ะมันบนไปจัดเขามันขึ้นมาสูงขึ้นมาเลยเราไม่รู้นี่นะเที่ยว อ, อ, อย่เช่นแถวเนี่ยที่เป็นแถวที่สมุดขมันมากแถวนึ่งไ แล้วมันขอ้อแล้วไปทางอะไรบ้านนากับแต่กับเกลอไปทางนู้นทางบ้านน้องไผ่ของขอยไปนู่นเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปทางช่องก็เรียกอะไรไปช่องจะลงบ้านชาติอะไรอำเภอบัวขาวนะ้านู่นมีมีถ้ำนะ น, นู่นเหมือนนู่นก็ไปนู่นไปอยู่ไปตามป่าตามเขาค้ม นิสัยของถ้าไม่มีเครื่องกระตุ้นมันอยู่แล้วมั น, ม, นมันมักนอนใจอ่ะสำคัญก็คือว่าที่น่ากลัวนั่นอ่ะมันเหมือนกับมันปลุกของเราให้มีท่าต่อสู้ตลอดมีสตินะฮะและอันช่วยกันก็คือว่าอดอาหารอดอาหารนี่โอ้ออกจริงๆริง รูปแปรน่ะอดไปลาทรายมันยิ่งมละเอียดจิตนะจนกระทั่งเจ้าของก็อัศจรรย์นะอัศจรรย์ใจของเจ้าของเองน่นะบางทีมันล้ำพึงเหมือนกันนะโอ้โหจิตนี้ทำไมถึงละเอียดขนาดนี้นะอัศจรรย์ขนาดนี้นะนีม่มึงนีงน่ก็เรื่องการอดอาหารเนี่ยมันหนุนได้ดีสําหรับนิสัยผมนะเพราะอย่างนั้นมันถึงเลย ฉันอิ่มๆธรรมดามาเหมือนทั้งหลายไม่ได้หรอถ้าท้องมันสบายใจมันไม่นั่นแฟาดหนึ่งไปจนไม่ต้งสรุปสลายดังร่างกายเนี่ยใจจัคุดีนื่ไปเห็นบ้านคอกันรู้สึกมันประทับใจนะเพียงไปเห็นสภาพที่จะของเคยอยู่นันะว่านี่บ้านคอกอะคือบ้านนี้เขามีคุณต่อเรามากมาขนาดไหนนั่นนะเขาก็มีอะไรละมีแต่ข้าว เคยบากลับก็ได้บ้างหรือเล็กน้นอยแล้วเต่มันจะได้แต่เราก็ไปหาอย่างนั้นนี่แล้วไปคิดอะไรกับเรื่องอาหารอย่างนั้ น, น, นก็เราไปหาอาหารอย่างนั้นหาที่อยู่อย่างนั้นเมื่อไปเจออย่างนั้นแล้วาจะไปตำหนิอะไรอีกละ่ะก็เรียกว่ามันสมใจแล้วนี่ะก็มีเท่านั้นเองบินธบัติแล้วเขาพอได้อย่างที่ว่านี่เป็นไปแล้เขาไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรานะเขา อ, อยู่ของเขาแหละถึงเวลาเราต้องมาบินตธบาติ มีอะไรเรก็ใส่นไปหน่อยก็ไปถึงยินดา น, น, นก็ไปทั้นะข้าวมันก็พอนั้นนีอย่างมากก็มีโยมตามไปสักคนแล้วไม่มีนะก็ข้าวกระท่านเท่านี้ชันนนน้นแลข้าววานไว้ตำน้าให้ปลาให้อะไรอย่างปลามไม่มีเท่า น, นั้นก็ไปแล้ว มันมากมาอะไรหายห่วงแล้วฉันจะเรืเร่อยๆแล้วล้างบาล้างอะตากผ้าแล้กหน่อยพอมันแห้งแล้วก น, นุ่งผ้าน้าขึ้นเขาเนะนี่ยตากหินดันไม่นา น, น้ะมึงกันท้าให้ลึกไม่ลืมนะสภาพที่จะขรองอยู่มันเหมือนกับคนอนาถาเหมือนกับอะไร Said, ถ้า่จะพูดแบบโลกแล้วมันเหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งเ้านรี้นังเราไปทรมานตนถึงขนาดนั้นเหมือนไม่มีคุณค่าอะไรเลยเหมือนผาาที่ริ้วผืนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าถ้ามองดูตามสายตาโลกนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องทำแล้วโอ้โหอะไรที่ไหนจะประเด็นยิ่งกว่าอย่างนั้นหรแหล่เอย่างนั้น อิจมันเด่ น, นเดน่นเด่นรวงตลอดร่างกายเหมือนเหมือนธาตี่ริ้วแต่จิตมันสง่าผ่าเผยโอ้สว่างกระจ่างแจ้งตัวเบาเหมือนสัมฤทพระจิตพาให้เบาไม่เพียงแต่มาอดอาหารมันเบาแล้วถ้าจิตไม่เบาแล้วอดเท่าไหร่มันก็จะตายแล้วแหละจิตพาให้เบา เรื่องทุกขเวทนาเพราะการหิวโหยการอรู้ความอ่อนเพลียของร่างกายนี่ก็ยกให้แต่เรื่องความหิวโหย ม, มันไม่ได้หิวโหยไปกี่วันนี่ใครอดอาหารเคยอดอาหารก็รู้เองนี่มันจะหิวเพียงสองสามวันถนะ้านอกจากนั้นไปมันก็หาย น, นี่แต่ความเพลียตอนนีน้ไปที่ไหนนี่เราเพียงพูดเดือดกระเทศนี้นะไปที่ไหนมันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันนั้นเราเเรื่องการอดอาหาร ที่มันก็มักจะหาที่อย่างนั้นไงหาที่เด็ดหาที่กลัวๆอย่างนั้นเดินลงมาบนตบะก็บางทีมันก็วิตกกันนะนี่หนูจะไปเจอเสือที่ตรงไหนเนาะในนั้นมันก็มีแต่สังขารมันหลอกเรานะแต่ก็ไม่เคยเจอเสือก็ดีพมเพราะไม่มีอะไรปรากฏว่านในดงนั้นมีแต่เราคนเดียว เงียบขนาดนั้นนะนะลงจากเขาบุกป่าลงไปมันก็เหมือนแต่เรามีแต่เราคนเดียวเดินไปตามทางก็มีพวกไก่ป่าพวกนกยูงกุ้งเจ้งมีตามแถงหมูเสื้อก็ไม่เคยเจอมันมันยิ่งสติดีมันจะมาเราทำไมเสื้อหมูม้มา บคืนมันมาบานผมก็ออกาก็ุ่งก้อนหินก้อนดินมันมาไข่หมูใหญ่นะหมูทอดหมูทนเสียงมันลั่นโอ้ยมาเนี่นู่นะได้ยินมาตั้งแต่ขนาดประตูวัดเสียงหมูเสียงดังมากนะแต่ทำไมมันตะครองชี้ต้มันมาได้ขนาดนี้เสียงดังมากขนาดนี้ เสือมันถึงไม่ตายเพราะเสือมันความหมายว่า ง, งั้นนะเสือมันสนั่งที่สุดเนี่ยแต่ว่าความเร็วของมันมันมันไม่ได้กูกรอกันนะ ก, กับเสือนะ่ะท่าซึ่งหน้าอันนี้โอ้เอามันมาได้นะยิงไม่ดีเสือพุมิทะลุนะความเร็วของมัน แล้วที่จะกัดหมูตัวใหญ่เงี้นจริต้องระวังเอามากที่สุดต้องเอาเวลามันเผลอนั่นนั่นทีนี้มันก็ไม่ค่อยเผล่อย่าง่ายอืมมันมามันมานหน้าทั่มว่ามันขึ้นมาได้จะบ้ายังไง ม, มาหน้าทั่ไ ป, ปไปลงนี่ที่เราอยู่ลงมานี้ก็ขึ้นมานี่ไปลงมันจริง ร่อนมากมันกินหน่อไม่ไหลบางเสียงมันเอาอยู่ปุบปับปุบปับหรือมันมองรมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่สนใจกับเราะมันไม่เห็นเราเราพ่อเราไม่กคไม่เห็นมันเราอยู่กันเพื่อรู้นั่นไปอยู่ในป่านั่นเหมือนกับวในโลกอันี้เหมือนเรามีคนเดียวมีเราคนเดียวอยู่นั่นฟังดิ แล้วใครจะระบาดไม่ไงล่ะความเพียรเป็นตลอดเวลาดูอย่างนั้นมันก็เป็นนะไม่เป็นกลุมมันก็เป็นสติอยู่กับตัวเลย น, นั่นพอกําหนดเมื่อไรมันก็มันก็นกปรับเข้าเลยอยู่กับตัวตลอดแล้วจากนั้นก็สงบก็ไปเลยท่านถึงให้ให้หาอยู่นะทิ้งบอกสถานที่ที่มาเหมาะสมกับความเพียรกา ร, รบัรรพชิตก็ง่ายเหมือนกันในป่านในเขา มาอยู่ธรรมดาธรรมดานี้มันผิดกันนะสำหรับผมเองอผิดไก่ค่อยด้เร็วผิดกันในเรื่องของสมาธิในเรื่องของปัญญาเรายิ่ยงไปใหญ่นะซึื่องปัญญานี้ยิ่งละเอียดกว่าปัญญามากทีเดียวพูดไม่ถูกนะถึงขั้นปัญญาข้าวเดินเนาะ มันเหมือนมาธรรมจักรเป็นเองหมุนติวติวติ ว, วมันหนักซอกแสกทิสแสกไปรูปไปเห็นแต่อะไรเพราะมันหมุนอยู่ตลอดมันเป็นเองเมื่อมันหมุนด้วยความเป็นเองงั้นสิ่งที่ไม่คาดในฝันมันมันก็รู้ขึ้นมาได้สบายสบายเนียวถึงว่าโอ้ว่าเราจะไปคาดคณเกนกับจิตนี้คาดมอะไรนะาตาหูจมูกลิ้นกายมันมีขอบเขต ข้อคาดมันบานนะจิตนี้ไม่มีขอบเขีดยิ่งเขาออกทางด้านปัญญาด้วยแล้วโอ้โหดิวดิวดิวดิวไม่เคยรู้มันก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นมันก็เห็นขึ้นมาไม่เคยรู้เคยเห็นมันก็เห็นขึ้นมารู้ขึ้นมาเป็นขึ้นมาอมขันทรวันเกิดไม่เคยปรากฏกปรากฏขึ้นมาหรือ่า ปรากดอยู่ตลอดอ ม, มันมีการสถานที่หรือร่ำเวลาแม้แต่นอนนี่มันยังเป็นมันปรากฏนี่เห็นยังรุ่นแม้แตันอนนั่นคือว่าไม่มีขอบเขด น, นะจิตน่ะหลวงพ่พระพุทธเจ้าดูแล้วโอ้โหอย่าไปเอาอะไรไปเทียบกันเลยแล้วเพียงตัวเท่านหนูเนี่ยมันก็ยังเป็นยัง เ, เห็นในหัวใจ ใครจะว่าโอ้วอ่าอวดอะไรก็มันเป็นก็บอกว่าเป็นอยู่างไรมันเห็นก็บอกว่าเห็นมันรู้ก็บอกว่ารู้ทัทง้ทงทั้งทั้งเกิดมาเราไม่เคยไม่ไม่เคยคาดแต่จะว่าจะรู้จะเห็นนะาไม่เคยคาดไม่เคยคิดเลยสิ่งที่มันไปรู้ก็เห็น น, ะนั่นนันน่นใจเป็นของแปลกของาอัศจรรย์นึกว่าทำอศัศจรรย์ออจริงๆไม่มีอะไรซ้ำเหมอเลยในโลกนี้นะในขณะเดียวกันก่อน กัรเรื่องความสลดัดเหนียวแน่นที่สุดแล้วมีอะไรเกินยิ่งใหญ่อีกเนี่ยะีแต่ทำท่านั้นซักกันได้ว่างานั้นไม่ไมีมว่างั้นเลยการฆ่ายิ่งใหญ่นี่ข้ายังไม่ไเคยฆ่าเลยเคยเข้าสนามรบเอากันถึงเป็นถึงตาแล้วใครอยากคุยนะวะ่าว่างานนั้นก็หนักงานนี้ก็หนักนะว่าพงานฆ่ายิ่งใหญนี่ยมันหนักไปอีกไม่ทราบวันหนักขนาดไหน คำนวณไม่ถูกเลยไม่คาดไม่ฝันว่าจะได้เจอของหนักๆอย่างนั้นเฮ้ยมันฉลาดขนาดไหนที่เด็กแรมขนาดไห น, นสวมรอยนี่เร็วที่สุดไม่มีอะไรเกินที่เด็กเรายังโ อ, อ้อาสบายอยูอที่เด็กมันสวมรอยไม่รู้เลยไม่รู้เลยน่นถึงขั้นมันทันกันนั่นไมไ่ตั้งใจหนะทาทำว่าทันกันอ๋อคือมันทานนี้ก็เป็นธรรมเป็นอัตโนมัติของธรรม ที่จะรอรับฆ่ากันมันเหมือนกันเรดาร์จับกันจับกันโดยหลักธรรมชาตินั่นฟังได้เออนั้นแยกมาเรียกขนาดไหนก็ตามสติปัญญามันละเอียดอยู่แล้วนี่ทันกันทับทับทับทับนันเป็นอันนี้ก็เป็นอัตโนมัติกิเลสมันก็เป็นอัตโนมัติของมันอยู่แล้วตั้งแต่ไหนไหนมาเลยนะแต่เราไม่ทราบมันเป็นอัตโนมัต พอสติปัญญาเราไม่มีพอจะจับมันได้เลยรู้เรื่องความเคลื่อนไหวของมันเลยพอตอนนี้มีเครื่องรับกันแล้วเอาที่มีมเหรอ่ะนันก็เหมือนอย่างทิยุครับกันนัเนี่ยเปิดที่ไหนไหนมันก็รับกันได้หมดเมื่อขึ้นมันตรงกันแล้วอันสติปัญญาเมื่อมันพอตัวของมันที่จะรับสิ่งนั้นๆได้ได้มันปิดไม่อยู่นั่นละที่ว่าผม พระพุทธเจ้าพระฤาษเทวดาท่านเทิดสอนโลกไม่มีผิดไม่มีผิดเทศอย่างเน้นหนักเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะอะไรก็ท่านเห็นอย่างเต็มหัวใจท่านรู้อย่างเต็มหัวใจท่านจะให้ อ, อะไรมาให้ท่านตะทกระทามล่ะสิ่งที่เห็นประจักษ์ในจิตไม่ใช่โมฆะไม่ใช่หลงหลงแรง ๆ, ๆพูดได้สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นสอนในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่มันก็สอ น, น, นได้เต็มเม็ดเต็หน่อย จิตถ um ึงสิป <im> ัญญาถึงเลาค่องมันค่องอางนไม่คาดไม่คิดงอนสติปัญญาค่าดีเลยคือสติปัญญาเพยศในี้ว่างั้นเลยสติปัญญามันทามันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่มันเป็นเป็นบาดเป็นฐานไปเป็นอุปกรณ์กันไปเรื่อยๆเโน้นกันไปโน้นกันไปจนถึงขั้น เกิดขึ้นมาอย่างประจักษ์ประจักษ์จะเป็นประจักษ์ขั้นลบโมกุคารนี่แหละหนุนกันไปหนุนไปพอถึงขั้นไม่ลบมันไม่ลบเงียบเฮ้ยถึงขั้นคล้องตัวอะไรจะค่องตัวยิ่งกว่าสติปัญญาล่ะวิสัยสาคัญเี่สุดวิสัยของจิตนี่นะมันนะฮะพูดไม่ถูกเลยนะ มันมีอะไรจะมาเทียบเทียบกับอะไรไม่ได้ที่ใช้ของจิตที่จะรู้จะเห็นเพราถึงเวลามันเปิดแต่ไหนเหมื <c oughs> อนพระอาทิตย์สว่างจ้าโดยธรรมชาติแต่เมื่อมีเมฆหมอกจะปิดนี่นมันเมื่อถ้าปหนึ่งว่าไม่เห็นพระอาทิตย์เพราะเมฆมันปิดหมดเช่นอย่างวันฝนพราทั้งวั น, นเรามองดูที่พระอาทิตย์บางวันไม่เห็นพระอาทิตย์ทั้งวัน หนึ่งว่าพระอาทิตย์ไม่มีถ้าเราไม่เคยเห็นอยู่แล้วเราก็ว่าพระอาทิตย์ไม่มเีเพราะถูกเมฆมันปิดกั้นทั้งหมดพอพอเมฆมันจางไปจางไปพระอาทิตย์ก็รเริ่มเห็นแสงพระอาทิตย์ได้อีเมฆไม่ ม, มีพระอาทิตย์ก็จ้าแผ่นจีเรียนน่ะมันเป็นเหมือ น, น, นเมฆเหมือนอาย บังติดใจไว้รู้ก็รู้แต่มันไม่ทะลุเหมือนพระอาทิตย์สว่างจ้ามันแหละแต่มันไม่ทะลุเมฆเราจึงไม่มองเห็นพรอาทิตย์แต่พอมันยืดก็พอเมฆมันจางไปจางไปก็มันสว่างจ้าอยู่แล้วอยมันก็จ้าหายอยู่ี่ตรงนั้นเวลามันเปิดมันเปิดจริงจริงจมันติดอะไร แล้วเงี้ยี้กิเลสไม่ได้นี้กิเลสเท่านั้นเท่านั้นอยู่งั้นนะ่ะว่าไรไม่มีแล้วมัปิดแผ่นดินทั้งแผ่นหนาขนาดไหนก็ไม่ปิดภูเขาทั้งโลกไม่ปิดอะไรไม่ปิดกิเลสเท่านั้นปิดจิตนะเปิดกิเลสเอาแล้วทําไมมันจะไม่ไม่เปิดตัวเองก็นั่นสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่มีอยู่ทั้งหลายทำไมมันจะไม่รู้มันมีอยู่นี่นอกจากมันไม่เห็นถูกปิดบงังนะมีอยู่มันก็ มันก็ไม่เห็นโดนแล้วได้จนเหมือนก็โดนสะดุดเนีน่มันมีอยู่ตอไม้หนีย่ยแต่มันไม่เห็นดดนเราโอ้แหนถ้ามันเห็นมันจะไปโดนออ๋อนี่สะดุดนี่ตอไม้มีหินโซโค่เนี่ยีก้อนหินี่ไม่เห็น เรื่องเทศเทศนานเท่าไรท่รรานปริญญาโดยเถออิดออออออคนพ ว, พวกเรานะ่ะถ้าคอยจ้องคอยดูสังเกตพิณิพิจนาตามร่องรอยที่ท่านพาดำเนินมาแล้วไม่ไก็ถึงผิดก็จะไม่ผิดมากอะไรนะเช่นภูเขาเ น, นีมันมัน ในภูเขาเช่นนั้นสินธานที่เหมาะที่สุดของการประกอบความภาคยันด้วยความตื่นตัวแต่เมื่อมีสินต่อสร้างมากๆลูและหลานมันก็ทำให้อะไรลดคุณภาพลงนะเนี่ยสำคัญตรงนี้นะมันเป็นหัวใจมนุษย์มีกิเลสพระพุเจ้าสินกิเลสแล้วยังสอนให้อยู่อย่างนั้นฟังสิมันผิดกันไม่กับพวกเรา สถานที่อย่างนี้นนก็อยู่กันไปเถอะพอนั่นไปใครใครก็ทราบกันทั้งโลกแล้วไม่มีใครเลิ่อยิ่งกว่าผู้ใจเจ้าหรอกนะนะัานจะเป็นอะไรไปเราเคารพท่านอย่นี้จะทําอะไรเพื่อความเคารพท่านะ่ะหรือว่าการสร้างรูละหลาเนี่เป็นความเคารพท่านเที่ยมันเข้าไปสิธรรมาธรรมะปฏิปปโนว่างไงผู้ปฏิบัติทำทุกปัจจัยทำนั่นแหละคือผู้บูชาสากลหนะักฟังดี ปฏิบัติธรรมก็คอัง่งปฏิบัติอนนั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมการก่อการสร้างเรื่องเหนื่อยวุ่นายถือสิ่งเหล่านั้นเลิ่อนเลอไปยิ่งกว่าการปฏิบัติธรรมมันก็ไม่เข้ากันเลยการอยู่กระแทกกระแทกจวบอกเป็นการไม่เคารพพระเจ้าเหรอ พองค์เจ้าเป็นผู้ทรงเกียรติอย่างยิ่ง ส, งสร้างอยู่ด้วยหาปราสาทจึงสมเกียรติศาสนาเงี้ยเลพระพุทธเจ้าที่ทรงสแสดงไว้ว่าแสดงไ ว, ไวไนน้ว่าไงนะให้อยู่ขภาสาราชมณลเทียนเนี่ยทุ่มทำไมล่ะตั้งว่าลูกขมูเสื้อนาสราหนังฟังอยอยู่ป่าในเขาร็อกัดในทุดงก็มใีในป่าช้าเนี่ยในป่าเนี่ยลูกขมูเนียฟังดิ นั่นแหละทุดดงเขวัตสิบสามมีไว้ดวนั่นแหละแบบฉบับของผู้ชำนาญพิลึกทุดดงสิบสามนั่นเป็นแบบฉบับเครื่องมือสําคัญอุบายที่สําคัญมากย่อหย่อนเอก่อกันเมื่อไหร่ไม่ย่อหย่อนกันนะไม่ลดหย่อนกันนะเป็นไปตามการสถานที่ทุดดงแต่ละข้อละข้อไม่เหมือนกัน การที่อยู่ในลุกมุลลมมากก็อยู่เสียแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะอยู่ตลอดวันตายไม่เข้าที่มงคีบงังเลยท่านก็นไม่ได้หมายอย่างนั้นให้หายอยู่นั่นละดีเป็นส่วนมากวการควรที่จะเข้าที่มงคีบังก็เข้าแค่ไม่ว่าอะไรนี้ต่อย่าลืมตัวเข้าจนขึ้นหอปราสาทสี่ชั้นมันเกินไปไหนอยนนู่ในปา่าไหนฟังที่กันว่า มีปา่าช้านะ่ฟังด้ยป่าช้าใครไปปัตตนาล่ะผลตายแล้วนั่นไปอยู่ในธรรมด้านหนึ่งสอนเราอยู่ป่าชานั่นเป็นธรรมเอกขั้นหนึ่งสอนพระเราอืถ้าที่ไปปฏิบัติตนสำคัญว่าได้เป็นพระละหันจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระงรับสั่งให้พระนนท์ไปยืนดักอยู่ที่ประตูพระเชตวันพระเหล่านั่นมานน้น อย่าให้เข้ามาหาเรานะนู่นให้ไปประชานู่นฟังี้คือสำคัญตนมาสำเร็จพระหรหัตแล้วน่ะพระเหล่านั้นเร<ม>าก็ยเจ้ากับประทับอยู่พระเจตวันทำไมถึงทราบฟังสิอพอพระเหล่านั้นจะมารับสั่งพระนุนว่านี่ให้าอานุนไปเข้ารออยู่ที่ประตูพระเจดวันอพระเหล่านั้นมาแล้วอย่าให้เข้านะมาให้เข้านะ แม้เข้าวัดมาไม่ให้มาหาเราให้ไปประชา่านว่างอันพอมาถึงที่นนพระนุนก็บอกตามที่แล้วพระองรับสัง่งแต่ทั้งนั้นก็ดีนะอันไม่คิดอย่างอื่นอนยะ่างที่นี่เป็นปฏิจยาต่อพระพุทธเจ้านะพะอพค์ว่าอี้นี่ฉลอยเราจะวิเหลตเราจะจะยั่งมังตะดิ้งมาให้เขาเฝ้าเรามาด้วยความแน่ใจเราว่าสิ้นวิเหลตแล้วนี่พระองนี่พระองค์ไม่เข้าเราจะไปเข้าทุน ถว า, ายธรรมะความชื่นที่เด็ดกับพระพุทธเจ้านี่ยความมุ่งหมายว่างั้นแต่พระองค์ไม่ให้เข้าเฝ้านี่ให้ไล่โดยประชานั่นน่ะป่าชาเพื่ออะไรก็เพื่อจำรังยิ่เด็ดนี่มันคิดแล้วพระอะรนั่นคิดชีพชอบค น, นะก็เลยไปในประชานั้นในขัง้งพุทธการไม่เหมือนประชาทุกวันเนียประชาผีดิบเอาไปทิ้งไว้เกินเกินนั้นตายเก่าตายใหม่เวลาไปพิจารณาชากระสบ ในป่าชาทั้งตายเก่าตายใหม่แล้วนะตายใหม่เป็นอย่างหนึ่งตายเก่าเป็นอย่างหนึ่งพิจารณาเป็นความเปลี่ยนแปลงของจิตอาการกทั้งจิตที่ไปสัมผัสจัมพันธ์กับต่าชานั่นแหะมันไม่ต่มันมันต่างกันไปรเรื่อยผิดกันไปรเรื่อยเอ๊ะทาไมอย่างนี้ไปอะไรไปอย่างนี้หนักนี่พิจารณานั้นจนสําเร็จพระอราหารันขึ้นมาใชะนั่นสําเร็จในป่าชานัไนมฟังสิหนักป่าชาเปยังไง เพราะไปอยู่ในที่เช่นนั้นมันเป็นสถานที่ไม่มีใครเป็นปรัสนาแล้วผู้ไป ท, ที่ไปอยู่นั้นไปเื่อก็ไปคิดนาเป็นหินรับปัญญาละสิคิดิ่งน่าปัญยาไปเยี่ยมปัาชญ์ท่านก็บอกในทุดงข่านนี่ข้นก็มีมให้ไปเยี่ยมปัาชานะเข้าไ ป, ปเยี่ยมปัาชญ์ท่านกับแนะทางคิดทางให้ อย่าไปทางใต้ลงให้ไปทางเหนือลมเนี่ยการพิจานากรรมฐานถ้ายังไม่แน่ใจเจ้าของอย่าไปดูสร้างประสบที่ตายใหม่ซึ่งเขาเอาไปทิ้งไว้ใหม่ให้ไปที่ตายเก่าก่อตายเก่าตายนานๆมันเป็นกระดู ก, กอะไรไปแล้วกระจายกระจายไปแล้วก่อนอย้าค่อยขยับไปขยับไปจนกระทั่งถึงศพที่ตายใหม่ตอนเออเอ า, เอา วิธีพิจารณาท่านกะสอนขนาดนั้นนี่เป็นทุดงนะเนี่ยเยี่ยนป่าช้านเป็นทุดงข้อนนั่นนหละข้อมสำคัญของทุดงนี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแกนอันหนึ่งสำคัญนะของผู้ปฏิบัติถ้าทุโดงนี้ยังมีอยู่ในหัวใจพระยังมีอยู่ในการปฏิบัติของพระแล้วก็เรียกว่าหลักใจหลักธรรมของพระมิ ไม่มีเลยดีไม่ดีเห็นมื่อกีเด็กเป็นของคลื่ของร้าสมัยโอ้ไอขุดดวงก็ว่าเป็นของคลื่ของร้าสมัยไปเลยนี่คือมันสาคัญมันมันเต่งที่เด็กมันปิดหูปิดตาพะที่เปนถนนตนไม่รู้ตัวนี้ผมก็ได้ยินนั่งนั่งฟังรัฐ บ, บวลนะั้นพระมาแบบนี้เป็นประคะดดรูเลยต้อพงศ์มสำรวจสองเดือเหมือนกันเนาลืมตัวจนขนาดนี้อยง แต่ท่านสมเด็จท่านดีนะท่านรีบนั่นพอพูดไปถึงตรงนั้นถึงในตำแหน่กรรมฐ า, านนะท่านก่อนรู้ท่านจะไวยเขินอยู่มากเหมือนกันนะสมเด็จแต่ถ้าก็ยังไม่มีโอกาสที่ท่านจะเตือนพอกล้าก็สูฉันก็ฉันในบาทหวาดขึ้นอ๋อนี่ข้าจางนี่ข้านในบาทหนึ่งแต่ข่านไปแก้กันเถอะนี่ยถ้ า, า, าจะมหาบัวก็ต่อกันตา ลูกทิษท่านจันทร์มาไปเลยสีนะนี่ท่านอาจานไ์ในบ้านเคยตึกทางนัเหมือนกัว่า ก, กระตุกเลยรกระตุกมือเหวี่ยงอะไรหยุดแล้วเราฟังมาโดยมำดับด่าแล้วเราฟังท่านสังเ็จท่านคงจะโอ้กระดาษอายอย่มากเหมือนกันนะเพราะท่านกับครูในครูบาอาจารย์ไปมาถานเยอ่แยนี่พระองค์ดืมเนื้อดือ่มตัวกันมา บ้ายศมาพูดอย่างนั้นอย่างนั้นมันมีอย่าง น, นเห็นอยู่ได้ยินอยู่ดินี่ังเลยเราเองเป็นคนเห็แล เ, เองเนคนฟังจนได้มาแค่พิยานาาเป็นความสังเลยเนะ้ะการเรื่องตัวลืมไปอย่างขนาดนี้ก็มีที่ตำหนิกมัท่านตำหีิทูดงหืมพระพุ้าแค่ บ, บัญญัติไว้สมัยสมัยทูดงก็ลวว่าโอ้โหสมัยไหนมันไม่มีทูดง อย่งนั้นเออนี่เราได้ฟังเลยหูเรานะต่งหัวต่างนะมันกม่คนเรามื่อลืมตัวมันเป็นนะดินเหนียวติดหัวแล้วเขาจะจนมีหงอนมันไปไหนที่ที่เหล็มันเร็วขนันนั้นเลยตั้งยศตั้งศักให้เพื่อจะ เสรมอำนาจวาสนาบารมีมีแก่จิแต่ใจคือปฏิบัติตัวแล้วกลับเป็นานั้นขึ้นมานตั้งยศถามรรดาักให้พระบุริชนเราไม่เหมือนพระพุทธเจ้าตั้งยศถาบนาักให้พระสาวกท่านซึ่มีแต่ทรารหันรนรุ่นเอราาท่านนั้นเอโ น, นั้นเอราฆาท่านนั้นโอนัเอราาท่างนี้คือเลิศเนนั้นโอนั้นเลิศาานนท่านเห็นตื่นกระทั่งขืน่นนั้น มันตั้งให้ปุะชชนเราฟาดลงไป ม, มันก็เป็นดินเหนียวติดหัวเข้าตัวเข้าใจว่าตัวมีงอนไมนได้ไปเลยลืมตัวไปขายตัวเองลรงที่สามลองพิจารณาดูมีแต่สำคัญชั้นมือเดียวนอนห้นเดียว ไม่ยุ่งเนี่ยแล้วฉันในบาตรเรื่องฉันในบาตรเป็นของสำคัญมากบาตรเป็นของสําคัญอุ้อันเตปโตหนึ่งนี่บาตรของเจ้านี่บาตรของเธอออบอกนี่กับพรชนะใส่บาตรอะไรที่เหมาะสมสําหรับพระพระเหล่ายิ่งกว่าบาตรเปล่าอบอกอายันเตปโตเห็นไหมชัดไหมหน่ะแล้วฉันในบาตรมันเป็นทุโธงอีกข้อหนึ่งด้วยนะ ขันหุ่นเดออียวดีกับผู่ดงข้อนหนึ่งนั่นขันเลยปากหลายประเภทขันตัวอย่างเอกก็ต้องคุ้มค้ากันหมดไ ม, ม่ว่าหวานบ้าขาวมีอะไรคู่ค้าวกันหมดการอุปกตกิที่สุดเลยนะขั้นที่สองมาก็เอาไว้มีหวานมีขาวไว้ธรรมดาของหวานของขาวขั้นที่สาม บอกเอาอะไรอาจจะเป็นห้านเป็นอะไรท้ากัน่นเอาไว้เออาจจะมีถ้วยเล็กผสมอย่างทเหทั้งกินมถ้วยกินชาตตามตามทั้งชั้นในบาทหรือนอกบาทอะไรเทอานา้เพลบกไปอย่างนั้นอย่างนี้ท่านบอกววาเป็นประเทตะเพินดงขันในบาทรับรับิบบนาบาทไปตามแถวก็กำรพระโลหโดดไปรับทน้นแล้วโดดมารับทางนี้ ทางนัรนทัก็ับไปเลยทางนั้นได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปเลยนั่นก็ตามที่เด็ดตัวโลคนี่รับบาดรับไปตามแถวคือจะรับสายไหนก็ับทางนั้นเช่นรับทางด้า น, นก็รับไปเพี้ยไม่ต้องโดดทางโนดนโดดทางนี้ใครมาทางไหนก็จะโดดไปรับทางนั้นมีการตัดความโลภการชั้นในบาดอาหารกูเข้าในบาดนั่นจะเอารสเอาชาตมาจากที่ไหน โลกเขาเกลียดคุณใง่ายนะแต่พวกนี้จะให้ทําอย่างนั้นเพ่อไม่หวังเอารถเอาชาติเอาจากอาหารนั้นพออย่างชี้ชี้ให้เป็นไปเท่านั้นแน่นั่นคุณค่าของการฉันนาบาตมีอยู่ตรงนั้นนะไม่พ้ฒน์ตื่นติดรถติดชาตินั่นบางทีท่านุ่นเดียวกับเพื่อการความเหมยิ่งลุ่งหวาดใคำวิธีการโขนเดียวนั้นน่ะหน่มากท่นเขียนไว้ในาตาราก็บอกว่ากินดื่ม ยาคูคือ ข, ข้าวต้มน้ำข้าวต้มก็ได้เป็ส่วนมากฉันคนเดียวกันต่อมานี่ยก็จากเชา้าถึงเที่ยงมันก็ไม่เห็นผิดอะไรรางการฉันเพลงจริงไม่ผิดก็เลยแฝงขึ้นมาเป็นเรื่องเพลงตามความจริงนะ้วไม่ปรากฏว่าฉันเชา้าฉันเพลงในทั้งบุตการมีฉันคนเดียวเท่านั้นแล้วก็ให้ดื่มข้าวต้ม เขาอยาคูได้น้ำน้ำข้าอยาคูครับน้ำข้าต้มยิ่ไม่ใช่เขานนะ้าวต้มขคนๆนะน้ำน้ำข้าวต้มใส่อยาคูอยาคูแต่ว่าข้าต้มได้เนะี่ยเรื่องกระโดดว่าแต่เช้านี่ก็เพื่อให้เป็นเขตเป็นแดนไม่ไม่งั้นมันหาที่กําโดดไม่ได้สิตั้งจากนี้ถึงเที่ยงรุ่นเที่ยงะเอากลตรงนั้นจะันเมื่อไรตอนไหนได้จากนี้ถึงถึงสว่างถึงเที่ยง ทีภาพที่อยู่แล้วแต่เราไปเข้าสํานักใดเปอยู่ที่ใดแตล้ว แ, แต่ท่านจะจับทีภาพที่อยู่ให้ตรงไหนตรงไหนไม่ให้เลือกเอาตามชอบใจแล้วแต่ท่านจะจับที่ภาพที่อยู่ให้ยังไงแล้วก็อยู่ไปตามเรื่องนั้นไงนี่จะเป็นทุกดวงข้อหนึ่งอยมีสัชชิการไม่นอนเป็นเรเป็นเวรแล้วแต่เราจะสมถานออกมีก็เพื่อดับต้นดานวิเดชเพื่อฆ่าวิเดชเองจะเป็นอะไรไป เราพิจารณาเรื่องตูดงควันน้องหมูเราใช้เรื่องเล็กน้อยนะตูะ้ดงสิบสามผมก็เลยจำไม่ก็ได้หมดหละบางสกุลกีวอนก็เหมือนกันเคยพูดแล้วบางสกุลนี่ก็เป็นตุดงข้อหนึ่นี่เป็บาดไม่นคือขาดเลยแล้วก็ตู้ดงถ้ายันฉันถ้าไม่ฉันก็มันก็เป็นอีหยางไม่ฉันก็ไม่ขับบินมาทำไม ฉังชั้นในบรรดาบ้านขาดเป็นบรรดาบัดเป็นวัดนี่ยอันนู่เรียกเป็นวัดฉั้นในบาตรเป็นประจํานี่เป็นวาดไงมันเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อนี่แต่ทําที่ทรงคุณค่าทีสําคัญทุกขันเวลาคุณบิบิตัดที่เรียงลงมาโดิมแบบความโลภก็ตัดความสวยความงามอะไรความมีคุณค่าก็ตัดตัดไปหมด ความสะดวกสบายแลต้ตัดตลงไปไมันสบายจนลืมตัวจุดดวงหนุนมันเป็นของสำคัญนะ ง, งั้นช่วยตัดด้วยวิเศษตัวหยาบๆผับผ่าผ่าผลได้เป็นอย่างดีนะมันเบี้ยงอันไรแบบนี้มันเฮาเฮาเพรา า, ม า, า, า, าแมวอย่างนี้ใช่